วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งกุมพาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศน์ฟังธรรม มาศึกษามาปฏิบัติธรรมเพื่อนำความสุขที่แท้จริงมาสู่ชีวิตของตนธรรมะที่จะแสดงในวันนี้มีหัวข้อว่าใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตของพวกเราเพราะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนถาวร ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายไม่มีวันที่จะจากพวกเราไปแต่สิ่งอื่นๆที่พวกเราได้มาขณะที่มาเกิดในโลกนี้ล้วนเป็นสิ่งที่จะไม่อยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสผุตภะชนิดต่างๆที่เราได้หามา มาให้ความสุขกับเราก็ <c oughs> จะอยู่กับเราเป็นของเราได้เพียงชั่วคราวเมื่อช้าก็เร็วมันก็มีวันที่จะต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปเพราะร่างกายของเราที่เราได้มานี้ก็เป็นของชั่วคราวอยู่ได้ไม่เกินร้อยปีเป็นส่วนมากก็จะต้องถึงแก่ความตายไปเมื่อร่างกาย ตายไปความสุขต่างๆที่เราหาได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดผักก็จะหมดสิ้นไปเราก็จะต้องไปเริ่มต้นใหม่เราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ต่อไปแล้วก็มาดิ้นรนมาวิ่งเต้นมาหาราบยศสรรเสริญ หาลูกเสียงกิีดลดผลตภะมาเสพกันใหม่อีกรอบหนึ่งเราก็ต้องมาสูญเสียสิ่งที่เราหามาได้ไปไม่ช้าก็เร็วนี่คือสิ่งที่เราไม่ควรที่จะไปให้ความสําคัญคือความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิีดลดผลตภะชนิดต่างๆ เพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงเมื่อมันสิ้นสุดลงมันก็จะทำให้เราเกิดความเศร้าโศกเสียใจแต่ความสุขที่เราหามาให้กับใจนี้เป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรเป็นความสุขที่จะอยู่คู่กับใจไปได้ตลอดถึงแม้ว่าจะไม่มีร่างกายนี้ เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปใจที่มาครอบครองร่างกายนี้ก็ยังอยู่ต่อไปแล้วก็จะอยู่กับความสุขที่เราได้สร้างกันเอาไว้นี่แหละคือความสำคัญของใจใจเป็นสิ่งที่ยั่งยืนถาวรที่จะให้ความสุขกับเราไปได้อย่างยั่งยืนถาวรไม่มีวันสิ้นสุดได้ถ้าเรารู้จักวิธี ที่จะสร้างความสุขทางใจให้กับเราการที่เราจะสามารถสร้างความสุขทางใจให้กับเราให้อยู่กับเราไปอย่างยั่งยืนถาวรได้เราจำเป็นจะต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุก่อนเพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุจะไม่มีใครรู้วิธีสร้างความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรให้กับใจ ก็จะต้องหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดถ้าพะชนิดต่างๆไปเรื่อยๆไปแล้วก็ต้องมาแล้วก็ต้องมาสูญเสียมันหามาได้มากได้น้อยเท่าไหร่ก็ต้องสูญเสียมันเพราร่างกายในที่สุดก็ต้องแก่เจ็บตายไปอความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีร่างกาย อเ ม, มื่อมีร่างกายแล้วไม่ช้าก็เร็วร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วในที่สุดก็ต้องตายเวลาเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บเจอกับความตายก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเลยดัง น, นั้นอย่าไปหาความสุขทางโลกกรรมอย่าไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสพธภพชนิดต่าง ให้มาหาความสุขทางใจแล้วจะหาความสุขทางใจได้อย่างถูกต้องต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้วิธีการหาความสุขหน่านี้ก่อนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีใครรู้ไม่มีใครสามารถสร้างความสุขทางใจได้อย่างถาวรกอยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดหาความสุขแบบชั่วคราวไปอยู่เรื่อยๆไปจนกว่าจะได้มาเจอพระพุทธเจ้าก็ดี หรือเจอพระธรรมคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือเจอพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีทางนั้นถึงจะทาให้เราได้เรียนรู้วิธีที่เราจะสร้างความสุขทางใจของเราให้อยู่คู่กับใจของเราไปตลอดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดได้ดังนั้นการที่เราได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา ยังถือว่าเป็นโชคอันมหาศาลของพวกเรายิ่งกว่าการถูกรัตตรี่รางวัลที่หนึ่งวันนี้ถ้าหนา จ, จะถูก ร, ตรัตตลีรางวัลที่หนึ่งก็ได้เพราะวันนี้เป็นวันออกรัตตลีแต่การถูก ร, ตรัตตลีรางวัลที่หนึ่งนี้คุณค่าของมันรางวัลของมันนี้สู้คุณค่าของการที่เราได้มาถูกรัตตรี่ของพระพุทธศาสนาไม่ได้คือได้มาเจอกับพระพุทธศาสนา พระพระพุทธศาสตร์รางวัลที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนานี้เป็นรางวัลที่ถาวรเป็นความสุขที่เรียกว่าปรมังปรามังสุขขังความสุขอันยิ่งใหญ่ที่สุดหรือกว่าความสุขที่ได้จากการถูกรตลีร่รางวัลที่หนึ่งการถูกรตลีร่รางวัลที่หนึ่งแทงนที่จะมีความสุขกลับเกิดมีความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาก็ได้เพราะว่าพอมี เงนแล้วคนก็จะมาหาเราทันทีมาขอนูน่นข อ, อนี่ถ้าไม่ให้เขาก็โกรธเราด่าเราซกแทนที่จะมีความสุขมีความสุขกับจะต้องมาเจอกับความทุกข์จากคนที่เขาจะต้องมาเดือารบกวนเราแทนที่จะอยู่อย่างสงบอย่างสบายก็ต้องไปอยู่แบบหลบๆซ่อนๆเป็นเหมือนเหมือนกับคนเป็นนักโทษหลบนีเจ้าหน้าที่ตำรวจ นี่แหละโลกธรรมความความสุขทางโลกมันมีความทุกมาควบคู่ด้วยมันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงไม่เหมือนกับความสุขทางธรรมนี่เป็นความสุขที่ไม่มีความความทุกขเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าหนึ่งมันไม่มีใครรู้ว่าเรามีความสุขแบบนี้กันสองถึงแม้เขาจะรู้เขาก็ไม่สามารถมาขอแบ่งปันจากเราไปได้ ก็เป็นความสุขที่เขาจะต้องสร้างขึ้นมาเองเขาต้องทำกันขึ้นมาเองเท่านั้นแล้วก็เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากการถูกรัตตลี่รางวัลที่หนึ่งหลายล้านเท่าด้วยกันเปรียบเทียบกันไม่ได้เหมือนฟ้ากับดินความสุขทางใจนี่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ <c oughs> มหาศาล <c oughs> ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางโลก ดังนั้นการที่เราได้มาเกิดแล้วมาพบกับพระพุทธศาสนานี้ถือว่าเราได้ถูกกัตติของพระพุทธศาสนาแล้วได้ถูกรางวัลที่หนึ่งเรามีสิทธิ์ที่จะไปรับรางวัลของพระพุทธศาสนานก็คือปรมังสุขขังนิบานังปรมังสุขขังอันนี้แหละเป็นความสุขที่ยังยืนถาวรของพระพุทธศาสนานที่เราจะสามารถ หามาให้กับใจของเราได้แต่เราต้องไปเบิกต้องไปรับรางวัลเหมือนกับเราถ้าเราวันนี้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งตรงนี้เราก็ต้องเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัลเราถึงจะได้รับรางวัลถ้าเราเก็บลอตเตอรี่เอาไว้เฉยๆเราก็จะไม่ได้รับรางวัลฉันใดการที่เราได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนานี้ก็แบบเดียวกับการที่เราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง ตอนนี้เราถูกวัตตีกรางวัลที่หนึ่งแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องไปขึ้นรางวัลกันวิธีจะขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนาเพื่อได้รับความสุขที่เป็นบรมังสุขขังเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรที่ไม่มีวันสิ้นไม่มีวันหมดนี้เราก็ต้องไปขึ้นรางวัลกันวิธีขึ้นรางวัลก็คือเราต้องทำตามเงื่อนไขของการขึ้นรางวัลนั่น ถ้าไปขึ้นรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเขาก็มีเงื่อนไขเช่นต้องมีบัตรประชาชนมายืนยันตัวเราว่าเราเป็นใครแล้วก็อาจจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะมีเราก็ต้องทําตามที่เขามีกฎเกณฑ์เอาไว้ฉนันใดรางวัลทางพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันตอนนี้คุณถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนานะ แต่การที่จะขึ้นรางวัล น, นี้คุณจะต้องมีการกระทำตามเงื่อนไขสามประการด้วยกัน เ, เงื่อนไขประการแรกก็คือคุณต้องละการกระทำบาปทั้งปวงสองคุณต้องสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมอทำความดีต่างๆสามต้องซักฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไป ถ้าทําตามสามเงื่อนไขนี้ได้แล้วรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาก็จะเป็นของคุณทันทีเป็นของท่านทันทีก็คือนิบบานังปรามังสุขขังความสุขของพระนิพพานที่ยิ่งใหญ่มหาศาลที่ไม่มีวันสิ้นไม่มีวันหมดไม่มีวันเสือ่อมสุขอย่างไรก็สุขอย่างนั้นเช่นวันที่พระเจ้าทรงตัดเริญเป็นพระอาหารหันต์ตัดสัมมาสัมพุทธเจ้า ในขณะที่ประทับอยู่ภายใต้ต้นโพในวันเพ็ญเดือนหวันวิสาขาบูชานี้ <S <S 2> <S 2> จิตของท่านตั้งแต่วันนั้นก็จะเป็นบร ม, มสุขไปตลอดแม้กระทั่งถึงวันที่ร่างกายของท่านตายไปวันที่ท่านเสด็จปไินิพพานใจของท่านก็ยังเป็นบรามังสุขขังอยู่เหมือนกับวันเพ็ญเดือน6และแม้แต่ในขณะนี้ 2,500 กว่าปีผ่านไปแล้วก็ตาม ใจของพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นประมังสุขขังอยู่ในขณะนี้ใจของพระพุทธเจ้าไม่ได้สูญหายไปไหนใจของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่เหมือนกับใจของพวกเราต่างกันตรงที่ว่าใจของและพวกเรามันเป็นประมังทุกขังกันใจของพวกเรานี้เจอแต่ความทุกข์อยู่เรื่อยๆแทกจะไม่เว้นแต่ละวันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวก็มีเรื่องให้ปวดหัว ทำให้เรื่องวิตกกังวลเดือดร้อนวิตกห่วงใ ย, ยอะไรต่างๆขึ้นมาอยู่ทั้งวันทั้งคืนนี่เป็นใจของพวกเราที่ยังไม่ได้ไปรับรางวัลของพระพุทธศาสนาที่ไม่ได้ไปรับรางวัลสลับบางท่านก็ จ, จะเป็นเพราะว่าไม่รู้ว่าได้ถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งแล้วก็ได้เช่นสมมุติถ้าวันนี้ญาติโยมซื้อลอตเตอรี่แล้วไม่ได้ไปตรวจดูไม่ได้ไปไม่ได้ไปติดตามดูดูว่าวันนี้รางวัลที่หนึ่งออกเลขอะไร ญาติโยมก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าตัวเองได้ถูกถลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วก็ อ, อาจจะไม่สนใจอาจจะเก็บลอตเตอรี่นั้นไว้หรืออาจจะเอาไปทิ้งรับก็ได้<อ>ถึงแม้จะถูกถลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่ถ้าไม่รู้ว่าตัวเองได้ถูกถลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์จากการถูกถลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็ได้ฉนันได้พวกที่มาเกิดแล้วมาเจอกับพระพุทธศาสนาแล้วไม่ให้ความสนใจกับการ การปฏิบัติเงื่อนไขของพระพุทธศาสนาไม่สนใจที่จะเข้าหาพระพุทธศาสนา<ม>ก็จะไม่ได้รับรางวัลอันรางวัลที่ตนเองได้ถูก<ม>แทนที่จะได้ได้รางวัลอันอันวิเศษก็กลับไปหาสิ่งที่เป็นความทุกข์กันไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นสดผลถาพักกันแล้วก็ต้องมาเศร้าสศกเสียใจเวลาที่สูญเสีย ราบยศสรรเสริญสุขไปบางท่านเนี่ยที่มาเกิดในประเทศไทยประเทศที่มีพระพุทธศาสนาอยู่แต่ก็ไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเลยว่ามีไว้ทำไมไม่รู้ว่ามีเป็นเป็นที่ขึ้นรางวัลอันอันยิ่งใหญ่ของโลกเลยก็ว่าได้แต่พวกที่มีศรัทธามีความเชื่อมีความเริ่มใสในพระพุทธศาสนาเนี่ย จะเป็นพวกที่จะได้รับรางวัลกันเพราะว่าเมื่อได้เข้าหาพระพุทธศาสนาก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องของการถูกรตลีตร่รางวัลที่หนึ่งนี่แหละว่าตอนนี้คุณถูกรตรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วนะอยากจะขึ้นรางวัลไหมอยากจะได้ปรมังสุขขังไหมถ้าอยากจะได้ทำสามข้อนี้ท่านเองเหมือนเซ็นชื่อตรวจกระดาษใบนี้แล้วก็เอาเงินรางวัลไปได้เลย น, นี่ก็คือเงื่อนไขที่เราจะต้องทํากัน ถ้าเราอยากจะได้ประมังสุขขังได้รับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนกับเหมือนกับใจของพระพุทธเจ้าสองพันห้าร้อกว่าปีมาแล้วใจของพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นประมังสุขขังอยู่และจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจไม่มีวันตายส่วนพวกเรานี้ยังเป็นประมังทุกขังอยู่แล้วก็จะเป็นประมังทุกขขังไปเรื่อยๆจนกว่าที่เราจะ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของพระพุทธศาสนามารับรางวัลของพระพุทธศาสนามารับปรามังสุขขังจากพระพุทธศาสนาอย่างนั้นถ้าท่านทั้งหลายอยากจะพบแต่ความสุขไม่มีแต่ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปขอให้ท่านมาทำสิ่งที่พระพุทธศาสนาให้สอนให้เรากระทำกันสามหัวข้อใหญ่ๆด้วยกันข้อที่หนึ่งให้ละการกระทำบาปทั้งปวง ข้อที่สองให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมข้อที่สามให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ทำสามข้อนี้แล้วนิบบาลังปรมังสุขขังก็จะเป็นรางวัลตอบแทนท่านทุกคนไม่มีข้อจำกัดว่าจะต้องเป็นพระหรือเป็นโยมเป็นโยมก็รับเงื่อนไขนี้ถ้าทำตามเงื่อนไขนี้ได้ก็ได้ปรมังสุขขังเป็นพระถ้าทาตามเงื่อนไขก็ได้ เป็นหญิงเป็นชายเป็ น, นชนชาติไหนชั้นไหนไม่มีจากัดเพศจํากัดวัยเชื้อชาติจะเป็นไทยจะเป็นจีนจะเป็นฝรั่งหมือเป็นอะไรก็ตามถ้าสามารถรับและทำตามเงื่อนไขสามข้อนี้ได้ก็จะได้รับรางวัลเช่นกันดังนั้นถ้าเราอยากจะได้มีแต่ความสุขใจไปตลอดไม่มีวันไม่มีวันทุกข์อีกต่อไป เราก็ต้องมาทาการกระทำที่พระพุทธศาสนาสอนให้เรากระทำกันสามข้อใหญ่ๆนี้ข้อที่หนึ่งให้เราละการกระทาบาปทั้งปวงบาปคืออะไรบาปบาปทไมถึงต้องละอย่างนี้ก่อนเพราะบาปเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ใจให้กับเราเลยเวลาเราทำบาปแล้วเราจะรู้สึกว่ามีความทุกข์ใ จ, จาการทำบาปมีอะไรบ้างก็มีหนึ่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต สองการลักทรัพย์สามการประพฤติผิดในการสี่การพูดปดนนี่คือการกระทำบาปสี่ข้อใหญ่ๆที่ทำแล้วจะทำให้ใจทุกข์ร้อนขึ้นมาทัทนทีส่วนข้อที่ห้าที่มีอยู่ในศีลห้าที่คือการดื่มสุรายามานี้อันนี้เราเรียกว่าเป็นอบายามุกเป็นเหตุที่จะทำให้ไปทำบาปได้ง่ายคนที่ไม่ดื่มสุรากับคนที่ดื่มสุา ا ี้ จะมีโอกาสที่จะไปทําบาปยากง่ายต่างกันคนที่ไม่ดื่มสุราเนี่จะมีสติประครับประคองใจพอรู้ว่าจะไปทําบาปก็ยังมีสติยับยั้งใจได้แต่ถ้าคนที่ดื่มสุราแล้วไม่มีสติมึนเมาเกิดอาการมึนเมาไม่มีสติพอคิดจะไปทําบาปก็จะไม่มีสติมายับยั้งได้ในาศาสนาก็เลยต้องห้ามการเสพอบายามุกด้วย เพราะว่าการเสียเวลอับา ย, าบายามุ่นี้เท่ากับการเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ไปกระทำบาปต่อไปเช่นพอเราดื่มสุราแล้วมึนเมาถ้าเราขับรถไปไหนมาไหนเราก็อาจจะไปชนคนตายได้ไปประสบอุบัติเหตุแล้วทำให้คนอื่นตายหรือทําให้ตัวเราเองตายก็ได้หรือทําให้คนอื่นเขาเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการไปหรือทําให้ตัวของเราเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการไปก็ได้ แต่ถ้าเราไม่เสพสุรายาเมาเวลาขับรถเราไม่หมุนเมาเราก็จะขับด้วยความระมัดระวังขับด้วยการมีสติโอกาสที่จะมีอุบัติเหตุก็จะมีได้ยากหรือแทบจะไม่ได้มีอะไรก็ได้ถึงต้องมีรวมเมาไว้ด้วยในในศีลข้อห้าข้อห้าข้อที่ห้ามการกระทำบาปการไม่กระทำตบบาปทั้งปวงก็คือ ก็คือการรักษาศีลห้านีเ่เราต้องพยายามรักษาศีลห้ากันให้ได้เพราะเวลาเราทำบาปแต่แต่ละครั้งนี้จะทำให้ใจทุกข์ขึ้นมาทันทีลองสังเกตดูเวลาเราไปฆ่าใครนี่ใจเราจะอยู่ไม่เป็นสุขนะเวลาเราไปลักทรัพย์ไปปล้นไปชี้เงินของใครนี่ใจเราจะไม่มีความสุขเวลาเราไปประพฤติผิดในการไปยุ่งกับสามีภรรยาของชาวบ้านเขา อย่างนี้มันก็จะทำให้ใจเราไม่มีความสุขเวลาที่เราหลอกลวงใครโกหกพูดไ ม, ม่ไม่พูดความจริงให้กับใครเขาฟังนี่พูดไปแล้วเราจะรู้สึกไม่สบายใจนี่แหละความทุกข์ใจเกิดขึ้นจากการกระทำบาปสี่ข้อนี้ถ้าเราไม่อยากที่จะมีความทุกข์ในใจของเราก็อยากทำบาปสี่ข้อนี้ด้วยการรักษาศีลห้า คืออย่าดื่มสุรายาเมาด้วยเพราะการดื่มสุรายาเมาจะทําให้เรานี้ไม่มีสติที่จะควบคุมบังคับการกระทําของเราเมื่อเราเกิดความคิดอยากจะทำขึ้นมาเราคิดจะฆ่าเขาบางทีก็ฆ่าเลยถ้าเมาขึ้นมาแต่ถ้ายังมีสติอยู่ก็คิดยับยังอย่าอย่าฆ่าเขาดีกว่าฆ่าเราเดี๋ยวอาจจะถูกเขาตามตามจับไปลงโทษต้อง อยู่แบบ ห, บหลบซ่อนๆอยู่ยังไม่มีความสุขอันนี้คือเงื่อนไขข้อที่หนึ่งของการรับรางวัลคือเราต้องอย่าไปสร้างความทุกข์ให้กับใจของเรานั่นเองทุกครั้งที่เราทำบาปนี้เราสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราในขณะที่เกิดในขณะที่เราทาทันทีพอทาปุ๊บความทุกข์ใจมันจะตามมาทันทีเลยแล้วนอกจากที่มันจะตามมาในขณะปัจจุบันนี้แล้ว มันยังสะสมอยู่ในใจของเราต่อไปด้วยความทุกขันนี้พอเวลาร่างกายของเราตายไปเนี่ยความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปนี้มันก็จะฉุดลากให้เราไปเกิดในอบายต่อไปไปเกิดในที่ที่ไม่มีแต่ไม่มีไม่มีความสุข ม, มีแต่ความทุกข์อบายก็มีไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้างกลายเป็นอสุรกายบ้างไปตกนรกบ้างอันนี้ที่ไป ที่อยู่ของพวกผู้ที่กระทำบาปอาบายนี้ไม่มีสุขมีแต่ทุกข์เป็นเนราชาญเนี่ยทุกข์กั่มนุษย์ต้องหลายเท่าเป็นเปรก็ทุกข์กว่ามนุษย์เป็นนสูรกายก็ทุกข์กว่ามนุษย์เป็นนรกก็ทุกข์กว่ามนุษย์ยงนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะมีความทุกข์ค้างๆอยู่ในใจที่เราจะต้องไปชดใช้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็ต้องละการกระทำบาปทั้งปวงให้ได้ ร่าการเสบอบายามุกซึ่งนอกจากการเสพตัวลายามา่าแล้วยังมีการเล่นการพนันอกีก mm hmm. การเที่ยวกลางคืนอกี mm hmm. กาการมีความเกลียดค้านอกีกและการครบคนที่ชอบอบายามุกเป็นมิอบายามุกมหีห้าข้อด้วยกันอย่าไปเสบเพราะเสบแล้วมันจะทำให้เราไปทำบาปได้ง่ายมันจะมีมันจะมีเหตุการผักมันจะเป็นตัวผลักให้เราไปทำบาป ก, กัน เช่นเวลาถ้าเราเล่นการพนันเวลาเราได้เราก็อยากจะเล่นต่อเวลาเราเสียเราก็อยากจะได้คืนแล้วก็เล่นต่อเล่นมันก็สรุปก็คือต้องเล่นไปเรื่อยๆแลนวในที่สุดมันก็หมดเนื้อหมดตัวได้พอหมดเนื้อหมดตัวก็ยังอยากจะได้คืนอีกก็ไปโกหกไปยืมเงินของคนอื่นเขาอีกเอามาเล่นอีกเล่นแล้วก็ไม่สามารถใช้คืนท่าไปได้ก็ไปทําบาปด้วยการโกหกหลอกลวงแล้วก็ด้วยการลักทรัพย์ของเขามา น, นี้อาบายามุกไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายอย่าไปเสพเสพแล้วมันจะบีบบังคับให้เราไปทำบาปในระยะต่อไปข้างหน้าเวลาที่เงินทองที่เรามีอยู่นั้นหมดไปแล้วไม่พอใช้เราก็ต้องไปหาวิธีทำบาปมาใช้เพราะว่าเราถ้าคนเสพอาบายามุกเป็นเป็นอาชีพแล้วก็จะไม่มีเวลาไปทำมาากินมีเงินเดือนมาใช้ใจ่ายอาศัยอาบายามุกนี้เป็นเป็นเงินเดือน การพนันแต่แม้ช้าก็เร็วพอเสียไปเงินก็จะไม่มีใช้ต่อไปไปเที่ยวครั้งเคยก็ต้องใช้เงินใช้ทองไม่มีรายได้เที่ยวบ่อยๆเดี๋ยวเงินทองที่มีอยู่ก็หมดไปนี่คือสิ่งที่เราไม่ควรกระทํากันอบายามุขห้าแล้วก็บาปสี่ข้อด้วยกันคือการค้ารักทรัพย์ประพฤติผิดในการแล้วก็การพูดปดนี่คือ เาื่อน ข, ข้อที่หนึ่งถ้าเราทําได้เราก็จะห้ามไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาในใจของเราที่เกิดจากการกระทํำบาปได้ใจเราก็จะมีความสุขสบายในระดับหนึ่งแล้วสบายใจไม่ต้องกลัวว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาตามจับเราเข้าคุกเข้าตารางไม่ต้องกลัวว่าคนจะมาล้างแค้นเราเพราะเราไม่ไปทําอะไรให้คนอื่นเขาโกรธแค้นโกรธเครืองเรานั่นเองเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจส่วนหนึ่งไปแนละ้วส่วนที่สอง ถ้าเรายังไม่มีความสุขเราไม่มีความทุกข์แต่เรายังอาจจะไม่มีความสุขถ้าเราอยากจะมีความสุขก็ให้เรามาทําบุญกันทําความดีกันมีอะไรที่เราสามารถทําให้คนอื่นเขามีความสุขได้ทําไปเลยมีข้าวของเงินทองที่เหลือกินเหลือใช้แบ่งให้คนอื่นเขาได้ใช้ได้กินบ้างพ <Yeah. S 2> องเขาได้ใช้ได้กินเขาได้รับความสุขจากการให้ของเรา mm hmm. เราก็จะมีความรู้สึกมีความสุขขึ้นมาในใจ สร้างความสุขขึ้นมาในใจด้วยการกระทําความดีด้วยการเสียสละแบ่งปันทําคุณทําประโยชน์ให้แก่ผู้ผู้ น, นี้จะเป็นใครก็ได้เป็นคนที่มีพระคุณกับเราก็ได้เช่นบิดามารดาปูา่ย่าตายายครูบาอาจารย์ทำผู้ที่มีพระคุณกับเราก็คือพระพุทธศาสนาทําบุญกับพระพุทธศาสนาก็ได้ทําบุญกับโรงพยาบาลก็ได้ทาบุญกับโรงเรียนก็ได้ทําแล้วจะทำให้ใจเรามีความสุข ข, ขึ้นมา อันนี้เป็นความสุขะระดับต้นความสุขนี้มีสองระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งและระดับที่สองระดับที่ได้จากการทาบุญทาทานนี้มันยังไม่เป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรมันสามารถเสื่อมและหมดได้ถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่ยั่งยืนถาวรเราก็ต้องทำเงื่อนไขข้อที่สามเงื่อนไขข้อที่สามก็คือให้เราซักฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราซักฟอกจิตใจให้บริสุทธิ์ได้ เราจะได้ความสุขที่ยั่งยืนถาวรวีธีสักพอกนี้ก็มีอยู่สองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งก็คือการทำใจให้นิ่งให้สงบเป็นสมาธิเวลาเําทำใจให้นิ่งให้สงบเป็นสมาธิใจหยุดความโลภความโกรธความหลงได้ชั่วกราวใจก็จะเย็นใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขเพราะตัวที่สร้างความทุกข์รือป้องกันไม่ให้ใจมีความสุขไม่ให้ใจนิ่งสงบก็คือความอยาก กิลสตัณหาเน่งพอเรามานั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบไม่คิดปรุงแต่งได้ความโลภความอยากต่างๆก็จะไม่สามารถทํางานได้พอความโลภความอยากไม่ทํางานความรุ่มร้อนใจที่เกิดจากความโลภความอยากก็หายไปความเย็นของใจก็เข้ามาความสงบของใจความสุขของใจก็ปรากฏขึ้นมาแต่เป็นความสุขแบบชั่วคราวเพราะว่าเราไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดทั้งวันทั้งคืน ไม่ใช้กันเร็วเราก็ต้องออกมาทำหน้าที่อะไรต่างๆต่อไปพอเราออกมาทำหน้าที่อะไรพอเราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเห็นเรื่องๆๆนั้นเรื่องนี้เห็นคนค น, นั้นคนนี้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ความโลภความอยากก็เกิดขึ้นมาได้พอเกิดความโลภความอยากความสงบที่ได้จากการนั่งในสมาธิก็จะหายไปถ้าเราอยากจะให้ความสงบสุขที่ไดจากสมาธินี้ยังอยู่ต่อไปอยู่แบบยั่งยืนถอด เราก็ต้องใช้ปัญญากำจัดความโลภความอยากต่างๆด้วยการสอนใจให้รู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่ความโลภความอยากอยากได้นี้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของที่จะมีวันเสือ่อมมีวันหมดไปได้ไม่ว่าจะเป็นคนก็ดีเป็นของก็ดีเวลาเราได้เขามาใหม่ๆแล้วก็มีความสุขแล้ววันใดวันหนึ่งเขาอาจจะจากเราไปขึ้นมาก็ได้ พอเขาจากเราไปความสุขที่ได้จากเขาก็หายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีสนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงทุกข์เพราะมันไม่เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของเราชั่วคราวว่าวันใดวันหนึ่งเขาก็าจะต้องจากเราไปถ้าเราเห็นด้วยปัญญาเราก็จะระ ง, งับความอยากต่างๆได้อย่างถาวรพอความอยากต่างๆที่เคยมาสร้างความวุ่นวายใจสร้างความ ไม่สงบให้กับใจหายไปใจก็จะตั้งอยู่ในความสงบโดยอัตโนมัติเพราะนี่เป็นธรรมชาติของใจใจที่ไม่มีความอยากไม่มีกิเลสนี้จะเป็นใจที่นิ่งสงบตลอดเวลาที่เราเรียกว่านิพพานนี่พลังมังสุขถังอันนี้เป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรที่เกิดจากการซักฝ้าจิตใจด้วยการนั่งสมาธิและการเจริญปัญญาหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเมื่อเกิดความอยาก ก็สอนใจใ ห, ให้ให้ว่าให้รู้ว่าอย่าไปอยากกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่าเป็นของชั่วคราวไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่ให้ความสุขกับเรายัางถาวรไปตลอดมีวันใดวันหนึ่งเขาก็อาจจะหายจากเราไปก็ได้ถ้าเห็นทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นของเราความอยากเราก็จะหายไปทันทีไม่อยากจะได้อะไร พอไม่มีความอยากใจก็อิ่มขึ้นมาทันทีสุขขึ้นมาทันทีแล้วก็จะอิ่มจะสุขไปอย่างถาวรยั่งยืนอันนี้แหละคือความสุขของพันนิพานนิพานังปรามังสุขขังนี่แหละเป็นการขึ้นรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาก็คือการทําตา ม, สา ม, ส, ามสามข้อเงื่อนไขนี้ข้อที่หนึ่งละการกระทําบาปสองสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมสามซักฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธ ทำรับความโลภความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วใจก็จะได้สงบมีความสุขอย่างถาวรเป็นปรมังสุ ข, ขังต่อไป น, นี่คือเรื่องของใจที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเพราะเราจะต้องแบ่งเวลาอีกประมาณส0สบนาทีต่อไปนี้ให้กับการมาทำใจให้สงบมาสร้างความสุขแบบชั่วคราวก่อนมาซักฟอกจิตใจให้สะอาดแบบชั่วคราวก่อน ด้วยการหยุดความคิดปรุงแต่งต่าง ๆ, ๆโดยอาศัยสติคอยกํากับใจให้อยู่กับอารมณ์กล่อมใจที่เราเรียกว่ากรรมฐานถ้าฝูกใจให้อยู่กับกรรมฐานได้ด้วยสติเดี๋ยวใจก็จะเน่งสงบแล้วใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาแบบปรามังสุขขังแต่เป็นปรามังสุขขังแบบชั่วคราวไปก่อนต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกัน วิธย่นั่งสมาธิหรือเป้าหมายของการนั่งสมาธินี้คือการทําใจให้นิ่งให้สงบอันนี้ไม่ได้นั่งเพื่อให้เกิดปัญญาคนละเรื่องกันต้องรู้จักแยกแยะว่าการปฏิบัติสมาธิกับปัญญานี่เป็นคนละตอนกันไม่ได้ทําปนกันไม่ได้ทําทีเดียวพร้อมกันเบื้องตอนนี้เราทำให้จิตให้นิ่งให้สงบก่อนแล้วเวลานิ่งให้สงบก็ทําให้มันนิ่งนานๆนิ่งบ่อยๆทําสมาธิบ่อยๆทา i, ําให้ชํานาญก่อนพอเราชํานาญแล้วต่อไปเราก็จะสามารถ เอาสมาธิที่ที่เราได้มานี้ไปสู้กับกิเลสได้สู้กับความอยากได้ด้วยการใช้ปัญญาสอนใจไม่ให้ไปทำตามความอยากเพราะสิ่งที่อยากได้มันเป็นทุกข์นั่นเองดังนั้นเวลานั่งสมาธินี้ไม่ได้ให้ดูอะไรไม่ให้ไม่ได้เห็นสวรรค์ให้เห็นนรกหรือเห็นอะไรทั้งนั้นให้เห็นความนิ่งความสงบของใจให้ใจหยุดหยุดคิดปรุงแต่งเท่านั้นเองถ้าใจหยุดคิดปรุงแต่งได้แล้ว ใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ระพทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเราไม่ต้องการรับรู้อะไรทั้งสิ้นมีอะไรมารับรู้อย่าไปสนใจเพราะจะทําให้เราเสียสมาธิ mm hmm. เราต้องอยู่กับกรรมฐานคืออารมณ์กล่อมใจด้วยสติผูกใช้สติผูกใจไว้สติก็สติก็คือการระลึกรู้นี่ให้ระลึกรู้อยู่กับกรรมฐาน กรรมฐานในวงปฏิบัติที่เราใช้กันประจําส่วนใหญ่ก็มีมีการดูลมหายใจเขาออ้าหรือการบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าดูได้ถ้าดูลมได้หรือบริกรรมพุทโธได้ถ้ายัางดูไม่ได้เวลานั่งแล้วใจยังคิดมากอยู่คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่ก็ใช้การสวดมนต์ไปภายในใจก่อนส่วนบทไหนที่เราจําได้ก็ได้ส่วนบทสั้นๆก็ได้พุทธังสารังกชามิธรรมสารังกชามิสามังสารังกชามิ สวดไปกลับมาอยู่เรื่อยๆแล้วแต่เราจะจําบทไหนได้เราก็สวดไปการสวดนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเองต้องคอยสังเกตด้วยว่าเวลาเราสวดล้วเรายังไปคิดอยู่หรือเปล่าถ้าคิดก็อย่าไปสนใจกับความคิดให้มาหยุดให้มาสนใจอยู่กับการสวดเพียงอย่างเดียวถ้าเราสวดไปเรื่อยๆแล้วต่อไปใจเราก็จะเย็นความคิดก็จะน้อยลงความคิดฟุ้งซ่านต่างๆก็จะเบาลงพอเรามี ความสามารถที่จะมาดูลมได้แล้วก็หยุดหยุดสวดแล้วก็เปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกแทนหรือถ้าเราใช้คำบรากรรมพุทโธก็ได้อันนี้แล้วแต่ความถดัดความพอใจของผู้ปฏิบัติแต่ละท่านว่าจะใช้กรรมฐานแบบไหนกันนอกเหนือจากกรรมฐานสามอย่างนี้ก็มีแบบอื่นด้วยถ้าท่านเคยไปศึกษาไปปฏิบัติกับสานักอื่นก็สอนวิธีอื่นก็สามารถใช้ได้ ถ้าใช้แล้วทำให้ใจของท่านนิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิการเข้าสมาธินี้จึงเป็นมีหลากหลายวิธีด้วยกันบางแห่งก็ใช้สัมมาอรหังบางแห่งก็ให้เพ่งลูกแก้วอะไรเป็นต้นเหล่านี้บางแห่งก็ให้ ด, ดูยุบหนอะพองหนออันนี้ก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันแต่ไม่ว่าจะเป็นกรรมฐานอันไหนถ้าเราใช้แล้วเราต้องใช้อ น, นันในขณะที่เรานั่งในแต่ละครั้งอย่าไปเปลี่ยนกรรมฐานอยู่เรื่อย อาจจะเปลี่ยนได้ในตอนต้นเช่นตอนต้น น, นนั่งแล้วยังฟุ้งซ่านอยู่ก็ส่วนมนไปก่อนพอใจหายฟุ้งซ่านแล้วก็ค่อยมาดูลมหายใจเข้าออกหรือใช้คําบริกรรมหรือใช้ยุบหนอพองหนอหรืออะไรก็ตามพอใช้อันนี้แล้วก็อยาบไปเปลี่ยนให้ผูกใจอยู่กับกรรมฐานอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนก่าจิตจะเนื่งสงบพอเนื่งสงบแล้วใจก็สบายไม่ต้องทําอะไร ใจจะไม่อยากไปทําอะไรอยากจะอยู่มันจะมันจะอยู่เฉยๆของมันอย่างมีความสุขแล้วก็ปล่อยมันอยู่ไปจนกว่ามันจะหมดกําลังสเตจจะหมดกําลังแล้วก็เกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาถ้าเราอยากจะเลิกเราก็ลุกเราก็เลิกขึ้นมาถ้าเรายังไม่อยากจะเลิกเราก็เริ่มต้นใหม่ดูลมหายใจใหม่บริกรรมพุทโธใหม่ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆทําให้ชํานาญทําให้มากๆแล้วใจเราจะมีกําลังต่อสู้กับความอยากต่อไป เวลาที่เราไปเจริญปัญญาในขั้นต่อไปขณะที่นั่งมีอะไรปรากฏก็อย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้มีเสียงเข้ามาก็อย่าไปสนใจมีภาพปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจมีอารมณ์อะไรขึ้นมามีความคิดอะไรขึ้นมาก็อย่าไปสนใจให้ถูกใจอยู่กับกรรมฐานของเราไปเรื่อยๆเพียงอย่างเดียวถ้าอยากจะให้ใจนิ่งให้ใจสงบนี่คือวิธีการนั่งของนั่งสมาธิที่เราจะมานั่งกันตอนนี้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 เพราะว่ามันจะไม่สงบมันจะสงบเพระสติของเราต่อเนื่องไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังน้อยไปพยายามฝึกสติให้มากๆก่อนที่จะมานั่งเราสามารถฝึกสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับเพียงแต่ละเลิกถึงพุโทโธพุโทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆหรือคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราอยู่ทุกเวลาบท แล้วเราก็จะมีสติเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับแล้วต่อไปเวลานั่งก็จะสงบได้ง่ายได้นานแลต่อไปนี้จะขออนุมโมทนาให้พรอนยะทาวะริวาหาปุรปาปะริปุเรนติสากลังเอวเมวอิโต ท, ทินังเตตานังอุปกัปปติยิชิตังปะชิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโต สัพเพปุเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติอาระโสยธาสัพพิติยวิวัจันตุสัพพะโรโวินัสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีทีขายุโยภวะ อาพิวาทานสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรมาวาทันติอายุวันโสุขังฮาลางช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถาม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 YouTube พระสุชาติไลฟ์ส0 2 YouTube ดร V ว1ิวิทยุออนไลน์6คลับ o ฮ s e ์หนนากุติหนึ่งร้อเจ็ิบี่รวมทั้งหมด749อท่านค่ะเชิญถามได้เลยจ้าพูดใกล้ๆเอาไมค์โฟนแค่ายปากกราบมนัสการค่ะพระอาจารย์ขอโอกาสเจ้าค่ะ ลูกขอกาบเรียนถามเรื่องอจะสอนเด็กเจ็ดแปดขวบเกี่ยวกับธรรมะให้เขารู้จักธรรมะนะเจ้าค่ะได้บทชี้แนะด้วยเจ้าค่ะถอนกอสอนกอไก่ขอขาให้เขาอ่านออกให้ได้ก่อนแทนเด็กยังไม่ไม่ไม่จำเป็นจะต้องสอนอะไรมากให้เขาเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่สอนให้เขารู้จักผิดถูก ทําอะไรเสียหายก็อย่าให้เขาทำทำนั้นเองไปก่อน <Okay. S 1> เพราะยังเล็กพูดง่ายๆก็คือสอนให้ชอามีเมตตาอย่าไปทําร้ายสัสตว์อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปฆ่ามดฆ่ายุงฆ่าอะไรตา่างๆก็ไม่มีอะไรมากสำหรับเด็กนะก็ <Okay. S 1> เราเราอยู่กินแบบไห น, นแล้วก็สอนเขาให้อยู่กินแบบนั้นให้มีความซื่อสัตย์สุดเจเลย ไม่โกหกไม่รักทรัพย์ของผู้ใดทังน้นนส่วนกระสีห้าใช่ไหมใช่ไหมกระสีห้กับทำบุญทำทานสอนให้เขาใส่บาตรู้ <Okay. S 2> จากเสียสละแบ่งปันเอาทานกระสีไปก่อน <Okay. S 2> แล้วพอโตขึ้นไหนก็จะให้เขามานั่งไหว้พระ ส, สวนมนตนั่งสมาธิด้วยกันก็ได้ <Okay. S 2> เราต้องทำกับเขาด้วยถ้าเราไหว้เขาทำแล้วเราไม่ทำเขาก็จะไม่ทำแต่ถ้าเราทำเขาก็จะทำตามเรา กลับขอบพระคุณเจ้าค่ะคำถามจะพูดรอบฟังนะกกุฏิค่ะ Do we need to do many goodies example dana and charity work before we, can we, before we can practice meditation and develop m มา h i Well, it will be easier to meditate to practice than when you, if you already have some some charity in your heart. If you are generous, it means you are kind. Then it's easy for you to meditate. If you're still greedy, then your g r e e d y e can become an obstacle to your meditation. So Buddha said you should practice generosity first. Open up your heart. Be kind. Be nice. And then you can practice meditation e a s y e r หมีคำถามนะจ๊ะข้านมัสการเจ้าค่ะพอดีหนูมีอยู่หนึ่งคำถามทำไมพ่อกับแม่ถึงสวยหล่อแต่ทำไมลูกถึงไม่สวยหล่อเป็นเพราะอะไรหรือเจ้าค่ะเพราะทำบุญทำบาปมาไม่เท่ากัน คนที่ทำบุญมามากในอดีตจะมามีรูปร่างหน้าตาสวยงามคนที่ทำบาปมามากจะมีหน้าตาไม่สวยงามอ้าวใชาายไหมถ้าอยากจะสวยชาติน้าต้องทำบุญเยอะๆชาตินี้อ้าวใช่ไหมชาตินี้ต้องไปทำสัญญกรรมถึงจะสวยวันนี้ยังคำถามภาษาอังกฤษ ห, หมดแล้วค่ะคำถามจะพูดเราฟังนะกุฏิค่ะ สมาธิมีเจริญและเสื่อมได้จริงหรือไม่ที่หักพยายามไปที่หักพยายามปฏิบัติจนมีดวงตาเห็นธรรมัมนรู้เป็นพระอริยชั้นต้นอย่างน้อยโสดาบัานสมาธิจะไม่เสื่อมลงเลยจะมีแต่เจริญขึ้นแล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นคะก็เพราะว่าปฏิบัติมากขึ้นนั่นเองิญและเสื่อมอยู่ที่การปฏิบัติปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยปฏิบัติน้อยมันก็เสื่อมปฏิบัติมากมันก็ไม่เสื่อม แต่ถ้าเป็นระดับโสดาบานันนี้มันจะไม่เสื่อมเพราะว่ามันมีปัญญาคอยสกัดคอยสอนใจไม่ให้ประมาทให้ปฏิบัติอยู่เรื่อยๆคำถามจากผู้รับฟังน้ากุฏิค่คะหากเราทำผิดศีลไปแล้วโดวยไม่ได้ตั้งใจความฟุ้งซ่นานํำคาญใจ ความรู้สึกผิดเกิดขึ้นความหม่นหมองเกิดขึ้นเป็นเหตุให้สมาธิเสื่อมใช่หรือไม่แล้วจะปฏิบัติอย่างไรเพียรอย่างไรให้กลับมาดังเดิมแล้วจะใช้เวลานานหรือไม่ก็ต้องมีสติควบคุมความคิดไว้เทั้นั้นเองเอาเราเผลอสติจิตก็คิดถ้าคิดไปในทางวุ่นวายมันก็จะทําให้จิตใจวุ่นไวายได้เพราะฉะนั้นพอแล้วจิตใจเราเริ่มฟุ้งเริ่มวุ่นวายเราก็ต้องใช้สติใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธ เดินเข้าสมาธิไปเพื่อระ ง, งับความคิดเหล่านั้นก่อนอาเชิญนมสการคับพาจารย์ครับออขอสอบถามการปฏิบัติครับช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเดินจงกรมมากขึ้นวันละประมาณสองชั่วโมงก็วันนี้พอมานั่งสมาธิรู้สึก ทำได้ดีขึ้นครับเข้ามานั่งเลยก็เห็นมันสว่างดีครับแล้วก็ใจก็ไปเกาะกับความสว่างนั้นแล้วก็เข้ามาที่ลมหายใจก็มีความสงบเวลาอยู่กับของพวกนี้แต่สักพักก็จะเห็นความคิดที่ละจะเห็นจิตที่มันไหลไปตามความคิด ก็จะกลับมากลับมาเป็นระยะแต่มันก็จะอยู่ได้ช่วงหนึ่งครับเสร็จ แ, แล้วก็จะเพลินไปกับความคิดแล้วก็มีบางช่วงก็จะทั้งเพลินทั้งอยู่ทั้งเพลินทั้งอยู่เหมือ น, มนแมลมาน้อยครับก็ขอคําแนะนำพระอาจารย์ด้วยครับตอนช่วงที่เราไปเพลินกับความคิดก็คือเราเผลอสตินะ้รเราไม่มีสติเ ร, รเราต้องมีสติคอยผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้คิด การนั่งสมาธินี้เพื่อควบคุมความคิดไม่ให้คิดอะไรครับให้เวลาใจเผลอไปคิดก็ต้องเดินกลับมาที่พุทโธแล้ดึงกลับมาที่ลมหายใจใหม่ครับผมทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่า ม, มันจะไม่คิดเราก็ไม่ต้องเดึงมันครับผมบางครั้งมันเหมือนมันเหมือนจุดจุดที่คิดจุดโฟกัสบางทีก็ไปอยู่ด้านหน้ากับความสว่างบางทีมันก็ขึ้นไปตรงนี้บางทีมันก็อึดอัดบางทีก็แพ่ กระจายไปไกลเลยไม่ต้องสนใจน <ะ S 1> ให้อยู่กับกรรมฐานไปเรื่อยๆผูกใจให้อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆได้ครับอาการต่กกางๆจะหายไปได้ครับอครับผมอาการเหล่านี้เกิดจากการที่เราไม่มีสติเลยปล่อยให้จิตคิดปรุงแต่งขึ้นมาเท่านี้ตอนเรามีสติมันก็จะหยุดคิดปรุงแต่งแล้วมันก็จะหายไปเหลือแต่ความว่างฉันต้องการความว่างความสงบ ค, ความนิ่ง คามสุขต้องอยู่กับกรรมฐานต้องมีกรรมฐานถูกผูกไว้กับสติสติผูกําใจไว้กับกรรมฐานอยู่กับลมไปเรื่อยๆอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปเปลี่ยนอย่าไปย้ายมีแสงสว่างก็อย่าไปอย่าไปตามแสงสวาง่างเดี๋ยวมันก็หลอกให้เราไปคิดที่ต่ อ, อเราไม่รู้สึกตัวพยายามให้มีกรรมฐานอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เรานั่งสมาธิ ยกเว้นเวลาจิตว่างสงบไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องมีกรรมฐานก็ได้ให้มีสติรู้ฉเฉยๆรู้ว่าคิดหรือเปล่าถ้าคิดก็หยุดมันได้ครับ <Okay. S 2> ขอบคุณครับอาจารย์แล้วระหว่างวันก็ควรจาฝึกสติไว้เรื่อยๆด้วยจะได้เข้าสมาธิได้ง่ายถ้าเราไม่ฝึกสติพอคราวหน้าเรามานั่งมานานันอาจจะเข้าสมาธิได้ยา ก, กไปเลย คำถามจะพูดเราฟังน่ากุติค่ะความโลภความโกรธความหลงความหลงในที่นี้คืออะไรคะไม่เห็นทุกเนี่เห็นเห็นทุกเป็นสุขเห็นว่าได้เข้ามาแล้วจะมีความสุขเพอาะที่ไหนได้พอเข้ามาแล้วต้องหลังน้ําตากลายเป็นกระสอบทรายให้เขาซ้อมคือไม่เห็นว่าเขาเป็นทุกเราไปหลงเขาคิดว่าเป็นสุขก็หลงสามอย่างเห็นทุกเป็นสุข เห็นของไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงเห็นของที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราอเไรพอความจริงมันปรากฏขึ้นมามันก็เลยเศร้าโศกเสียใจอ่ามีคําถามไหมจ๊ะจกล่าวนามัสการค่ะหลวงพ่อเจ้าขาพอดีว่าประมาณสองอาทิตย์ก่อนหนูนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านตรงกลางคืนคือตอนตอนเรานั่งเสร็จคือสมาธิเรา เรานั่งเสร็จแล้วแต่ว่าเราอยู่ในความสงบอยู่นะคะออกจากสมาธิแล้วแต่ทีนี้ตอนช่วงที่หนูอุทิศบุญช่วงระหว่างที่เราอุทิศบุญคือมันมีแสงสว่างออกมาตรงแถวหน้าผาอ่ะคะ่ะแต่ว่าหนูออกจากสมาธิแล้วนะคะณนะนะนะเวลานั้น mm hmm. ก็เลยหนูเลยอยากทราบว่าแสงสว่างนั้นเกิดจากความป่าปื้มที่จากที่เรานั่งสมาธิหรือว่าเป็นเป็นแสงกระแสบุญเจ้าคะเพราะหนูไม่เคย ไม่เคยเป็นนะคะไม่จะเป็นต้องรู้ให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงก็พอรู้ว่ามันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับใช้วิปัสสนาดีกว่าอะไรเกิดแล้วมันดับเพื่อแสดงว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถควบคุมบังครัมัได้ก็ปล่อยให้มันไปอย่าไปคิดถึงมันเรื่องมันก็จะจบถ้าเรามานั่งคิดเนี่ยถึงวันนี้เราก็ยังคิดอยู่นั่นแหละนะอย่าไปคิดมันผ่านไปแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนฟ้าแลบ มันตกแดนออกไปไม่ต้องไปคิดว่ามันเกิดจากอะไรหรอกหรือว่ามันเกิดแล้วมันดับแล้วมันไม่มีความสําคัญอะไรกับเราก็พอไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะเพราะว่าตอที่เหมือนพอเพอเราุบุญอ่าพอตอนทิศบุญมันมันมันออกแบบมันไม่ได้กว้างมากนะนะใช่ไม่เป็นไรก็มันจะเป็นยังไงก็รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้แล้วก็ปล่อยนันผ่านไปเพราะว่าหนูเห็นแล้วหนูก็เอ๊ะใสงอะไรแต่หนูก็ แต่จิตเราก็ยังอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวงของเราอยู่อ่มันไม่เกี่ยวกันเรื่องอุทิศบุญก็อุทิศไปเรื่องแสงก็เรื่องของแสงพองเราเรื่องกันโอเคค่ะสาธุสาทุเช้าค่ะคำถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะ สมาธิหรือฌานระดับไหนและมีข้อสังเกตอย่างไรว่าเรามีพลังเพียงพอที่จะนำไปใช้ให้เกิดปัญญาในการเจริญวิปัสนาต่อไปครับก็หยุดกิเลสได้หรือเปล่าถ้ายังหยุดกิเลสไม่ได้เช่นสูบติดบุหรี่แล้วพิจารณาสูบบุหรี่แล้วจะเป็นโรคมะเร็งในปอดควรจะหยุดสูบตอนเกิดความอยากจะสูบขึ้นมาหยุดมันได้หรือเปล่า มีปัญญาแล้วรู้แล้วว่าการสูบบุหรี่ไม่ดีแต่จะมีปัญญามีมีสมาธิหยุดความอยากได้หรือเปล่าถ้ามีสมาธิก็จะหยุดได้แต่ถ้าไม่มีสมาธิก็ยังหยุดไม่ได้ยังอดไม่ได้ก็ แ, แสดงว่าสมาธิยังน้อยไปต้องไปฝึกให้มันนิ่งกว่านี้ให้มันนิ่งงานกว่านี้ให้มันนิ่งลึกกว่านี้เป็นต้นคาถามจากทางฟค่ะเวลาที่นั่งสมาธิ แล้วจิตเราไปคิดเรื่องที่เป็นกุศลหรือเรื่องที่ดีเช่นคิดวางแผนหรือวิธีการแก้ปัญหาให้เรื่องเกี่ยวกับการทำงานเราควรปล่อยให้จิตคิดไปไหมครับหรือพยายามตัดทุกเรื่องให้จิตอยู่กับลมหายใจครับถ้านั่งสมาธิก็ต้องตัดทุกเรื่องเราต้องการความว่างความสงบไว้อรอเวลาอื่นค่อยไปคิดเรื่องอื่นแต่เวลาทาสมาธินี้เป็นเวลาพักผ่อนพักยู่จิตใจเหมือนเวลานอน เวลานอนเราไม่เอางานไปไว้ข้างหมอนทําไปด้วยนอนไปด้วยเวลานอนเราก็ทิ้งงานเอาไว้เราจะได้พักผ่อนหลับนอนให้เต็มที่เวลานั่งสมาธิก็เป็นการพักจิตเอาจิตมาให้คิดอะไรก็ต้องไม่ไม่มีเรื่องอะไรให้ใ ห, ให้จิตคคิดต้องมีกรรมฐานคอยผูกใจไว้ให้อยู่กับกรรมฐานมีสติผูกใจไว้จิตจะได้นิ่งจะได้สงบได้ คำถามจากทาง YouTube ดกรค่ะปัญญาบา ร, รมีอธิปัญญาภาวนามยะปัญญาและปัญญาในใจสิกขามีความแตกต่างกันไหมครับควรใช้ปัญญาใดเพื่อกำจัดกิเลสครับคือปัญญามันมีสามขั้นเหมือนกับเรียนหนังสือมีขั้นประถมขั้นมัธยมและขั้นบัญญาควา ม, มรู้ปัญญาระดับแรกก็เรียกว่าสุตตามยะปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการศึกษาลรื่มเรียนจากผู้เช่นฟังเทศฟังธรรมนี้เรียกสุดต<ม>าเมยะปัญญาฟังเพื่อให้เรารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วเป็นต้น<ม>แล้วเราควรอยากปฏิบัติอย่างไรข้อที่สองเรากา็ข้อที่สองคือปัญญาที่เกิดจากจินได้ยินได้ได้พิจารณาอยู่เนืองเนืองคือจินตาเมยะปัญญาคือหลังจากที่เราฟังเทศแล้วเราได้ความรู้แล้วเราก็ามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆ เช่นพระพุทธเจ้าสอนให้เราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆอันนี้เราต้องมาคิดบ่อยๆเพื่อเราจะได้ไม่ลืมถ้าเราไม่คิดแล้วเดี๋ยวเราก็เลิก <c oughs> ขไปต้องคิดอยู่เรื่อยๆไม่ให้ลืมอันนี้เป็นปัญญาขั้นที่สองปัญญาเพื่อการจดจําำฟังครั้งแรกแล้วถ้าเราไม่มาคิดต่อเดี๋ยวเราลืมนะอย่างวันนี้เรามานั่งฟังเท่ๆอย่างเนี้ยเดี๋ยวกลับไป ออกจากที่นี้ไปก็ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เดี๋ยวก็ลืมเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังถ้าไม่อยากจะลืมก็เอาไปคิดต่ออันนี้เป็นปัญญาขั้นที่สองเรียกว่าจินตามยายะปัญญาปัญญาขั้นที่สามเ ร, รียกว่าภาวนามยะปัญญาอันนี้เป็นปัญญาที่เราจะเอามาหยุดกิเลสตอนต้นสองอันนี้เรายังไม่ได้เอามาหยุดกิเลสเราฟังให้เรียนรู้เฉยๆว่าอะไรคือกิเลสแล้วเราทำไมคนจะหยุดกิเลสแต่ถ้าเราอยากจะหยุดกิเลสเราต้องใช้ปัญญาขั้นที่สาม คือปัญญาที่มีสมาธิสนับสนุนเราต้องฝึกสตินั่งสมาธิก่อนให้มีสมาธิให้เป็นอุเบกขาเมื่อเรามีอุเบกขาเราก็จะมีกำลังมาหยุดกิเลสได้อันนี้เรียกว่าภาวนามายาปัญญามีอยู่สามขั้นด้วยกันคำถามจากทางเฟ e บ o o k ค่ะเคยได้ยินเรื่องการสอบอารมณ์ของการเจริญสติจาเป็นต้องเข้ารับไหมเจ้าคะ ไม่รู้เนี่ยไปสอบสติเราเนี่ยเป็นคนสอบตัวเราเองง่ายที่สุดเราปฏิบัติเราจะรู้เองว่าเรามีสติมากสติน้อยไม่ต้องไปให้คนอื่นมาสอบเราเขาไม่รู้เราหรอกว่าเรามีสติไม่มีสติเอาเพียงแต่ถามเราแล้วก็ตอบเข้าไปเราจเราจะตอบจริงหรือตอบไม่จริงเขาก็ไม่รู้อีกเห็นความจริงมันไม่ต้องการสอบอารมณ์นี่มันไม่ได้สอบแบบนี้การสอบอารมณ์ก็คือสอบกิเลสเรามากกว่าพอไปหาเขาเขาก็ด่าเราเลยอย่างเงี้ย ดูเชกิเลสจะเกิดขึ้นมาหรือเปล่าเนี่เป็นการสอบอารมณ์นะเข้าใจไหมเขาจะสอบเราตอนที่เราเผลอตอนที่เราไม่ตั้งใจพอเราคิดว่าเราสบายเราไม่มีทุกข์เยพอเขาด่าเราทีเดียวเกิดความโกรธขึ้นมาทันทีเลยอันนี้แต่ถ้าเรามีถ้าเราผ่านไม่มีความโกรธแล้วใครด่าเรายัางไงมันก็ไม่โกรธอันเนี้ยเป็นการทดสอบดู ว, ว่าเรายังมีกิเลสอยู่หรือเปล่ามีความโกรธอยู่หรือเปล่า เขาไม่ได้สอบแบบบอกล่วงหน้าไว้ก่อนเดี๋ยวจะสอบอารมณ์นะเขาจะเอาตอนที่เราเผลอตอนที่เรายังไม่เตรียมตัวมันถึงจะนอกเราได้ใช่ไหมถ้าเราเตรียมตัวไว้ก่อนเราก็ไม่โกรธเขาเสียงรั่วาำถามจากทาง Facebook ค่ะคาถามแรกค่ะหากขันห้าไม่ใช่เราถ้าดูใช่เราไหมเจ้าคะ ไม่ใช่เราทั้งนั้นนะไม่มีอะไรเป็นเราเราเป็นความความปรุงแต่งความหลงเป็นการจินตนาการของความคิดความคิดนี้เหมือนคนแต่งนิยายคนแต่งนิายนี่เขียนเรื่องนิยายเป็นเรื่องเป็นราได้ไมคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นไปเจอกันที่นั่นที่นี่ไปได้ลูปคนนั้นคนนี้ขึ้นมามันเป็นเรื่องการความคิดปรุงแต่งการจินตนาการของความคิดเท่านั้นเอง บางทีก็คิดว่าเราเป็นผู้คิด ม, มีตัวตนผู้คิดนี้มีตัวตนอันทั้งที่ผู้คิดนี้ไม่มีตัวตนผู้คิดก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่สามารถที่มีความสามารถที่จะคิดเท่านั้นเองข้อสองค่ะการจเจริญสติเพื่อให้เห็นการทํางานของขันห้าและเห็นว่าถ้ารู้อยู่คนละส่วนของขันห้าถูกไหมเจ้าคะไม่หลอกการจเจริญสติเพื่อทําใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิ ยังไม่ต้องรู้อะไรทั้งสิน้นให้มีสติให้มีสมาธิก่อนแล้วถึงค่อยไปไปดูขันห้าไปดูอะไรต่างๆดูหอบไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทุกพราะเราไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราของเราอันนี้เป็นขั้นปัญญาอตอบอีกขั้นหนึ่งขั้นแรกจะริญสติเพื่อให้จิตนิ่งให้จิตสงบให้จิตไม่ปรุงแต่งให้จิตมีความสุขจากความสงบคอยเมื่อเรามีสมาธิแล้วเราค่อยไปคิดทางปัญญาใช้สติดูดูความจริงที่มีอยู่ในตัวเรา อยู่ร่างกายว่าเป็นตัวเราหรือเปล่าสอบไล่เรียงดูถ้าเป็นตัวเราอยู่ตรงไหนอยู่ที่ผมหรืออยู่ที่ขนหรืออยู่ที่เล็บอยู่ที่ฟันไล่ไปทั้งสามสิบสองอาการมันก็ไม่มีตัวเราอยู่ในอาการสามสิบสองเหล่านี้มันก็จะได้สรุปได้ว่าอ๋อเป็นเพราะอย่างนี้เองมันไม่มีตัวเราเราเป็นหลงคิดเองว่าเป็นตัวเราขึ้นมาเหมือนคนโบราณสมัยก่อนก็หลงไปคิดว่าโลกนี้แบนก็เชื่อกันว่าโลกนี้แบนไม่มีใครกล้านั่งเรืออกไปไกลๆ พกจะตกขอบทะเลไปแต่ตอนหลังก็มีคนฉลาดบอกมันไม่แบนหรอกมองไปบนท้องฟ้าดวงดาวแต่และดวงมันก็กลมกันหมดแล้วโลกวันนี้มันจะแบนได้ยังไงเขาก็เลยไม่กลัวเขาเลยนั่งเรือออกไปไกลๆได้ไปเจอทวีปใหม่ไปเจอทวีปอเมริกาได้เพราะเขาได้พิสูจน์ว่าโลกนี้ก็กลมไม่ได้แบนแต่มันใหญ่แล้วเวลาเราตัวเล็กๆมองไปมันก็เหมือนกับมันแบน อันนี้ก็เป็นเรื่องของความความเชื่อผิดๆนะอันนี้ก็เหมือนกันความเชื่อว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราก็เป็นความเชื่อผิดๆเมื่อเราพิสูจน์เราค้นหามันไม่มีอะไรในตัวเราตรงไหนเราร่างกายนี้ที่เป็นตัวเราบ้างตัดผมไปแล้วเราหายไปกับผมรึเปตัดขนตัดเล็บอะไรตัดไปหมดนี้มันท้ายไปรึเปล่ามันไม่หายตัวเราก็ยังอยู่เพราะมันมันเกิดมาจากความคิดมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อย่างใด ข้อสามค่ะหากเราเห็นว่าถ้าท่านรู้แล้วเราแยกจากกันเราก็จะบรรลุพระโสดาบันใช่ไหมเจ้าคะไม่ใช่หรอไม่ใช่พระโสดาบันแยกร่างกายออกจากแยกใจออกจากร่างกายได้ดูว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการสามสิบสองเกิดแก่เจ็บตายเป็นอนิจจังไม่เที่ยง คำถามจากทาง facebook ค่ะใจเป็นเพียงสภาวะหรือใจนี้คือเราครับใจเป็นท่านรู้เป็นหนึ่งในหกธาตุที่ไม่มีเสื่อมไม่มีเกิดไม่มีดับหกธาตุนี้มีธาตุดินธาตุน้ํำธาตุลมธาตุไฟธาตุรู้แล้วก็อากาศชะธาตุคือความว่างนี่เป็นธาตุที่ไม่มีเกิดไม่มีดับมีอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าธาตุเหล่านี้มันจะมามีปฏิสัมพันธ์กัน มารวมตัวกันทำให้ปรากฏเป็นต้นไม้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรขึ้นมาทั้งนี้แล้วเดี๋ยวมันก็แยกกันไปแยกกลับคืนสูตรที่เดิมของมันแล้วก็กลับมารวมกันใหม่รวมกันแล้วก็แยกกันรวมกันแล้วก็แยกกันยังไ้มาคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะถ้ารู้สึกเบื่อโลกและเศร้ามากจะใช้ปัญญาสอนใจยังไงเจ้าคะอย่าเพิ่งใช้ปัญญาเลยใช้สมาธิก่อน นั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบแล้วความเศร้าก็จะหายไปถ้ายังไม่มีสมาธิไม่มีความสงบนี่ไปสอนใจยังไงมันก็เศร้าอยู่นั่นแ่ะใช้ปัญญาสอนยังไงมันก็เศร้าต้องทําใจให้หายเศร้าด้วยสมาธิก่อนพอหายเศร้าด้วยสมาธิแล้วก็มาสอนใจทีว่าโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ยโลกนี้มันไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีได้มีเสียเวลาได้ก็ดีใจเวลาเสียก็เสียใจเท่านั้นเอง ถ้าเรายอมรับได้ว่ามันเป็นธรรมดาแล้วเวราอย่าไปะยากเราก็จะไม่เศร้าเสียก็รู้ว่าเสียได้ก็รู้ว่าได้รู้จักปล่อยวางไม่ยินดียินร้ายหมดหรือยังอีกคำถามค่ะสุดท้ายนะเวลาหมดพอดีคารวสควรเข้าเรียนหลักสูตรพระอภิธรรมที่มีการเปิดสอนเปิดสอบไหมเจ้าคะก็แล้วแต่ความสมัครใจเราพูดไม่ได้เดี๋ยวจะไปหาต่อต้านใคร ทางเรียนธรรมะมันมีหลายวิธีเรียนเองก็ได้เนี่ยค้นหาในอินเทอร์เน็ตว่าทานศีลสมาธิปัญญาแค่นี้ก็พอเรียนเฉพาะทางก็พอไม่ต้องเรียนทั้งพระไตรปิฎกอยากจะรู้ว่าการทําทานทําอย่างไรก็เข้าไปหาความรู้อันนี้อยากจะรู้ว่าศีลมีอะไรบ้างก็ก็เข้าไปหาความรู้อัอนนี้แล้วรักษาไปปฏิบัติไปอันนี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปเรียนจบทั้งพระไตรปิฎกเอาความรู้บางอย่างมันไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อ จับความทุกข์ใจโดยตรงไม่จำเป็นจะต้องรู้ก็ได้ให้รู้แค่ทานศีลสมาธิปัญญาสี่ตัวนี้ก็พอเราสามารถทำให้ความทุกข์ทั้งหลายที่มีในใจเรานี้หายไปหมดได้อาแล้วนะวันนี้เวลาก็หมดพอดีสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ